ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพระเมตยะและพระภูมิชากะว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอบ่นว่าทัาพพระมรรบจริงหรือท่านทั้งสองทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าโมฆาบุรุษทั้งหลายฉนัยพวกเธอจึงบ่นว่าทัาพพระมรรบเล่าโมฆาบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้